แนะนำบทอัลอิคลัสบทอัลอิคลัสเป็นบทมักกียะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเอกะรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสต์ที่กล่าวว่ามีพระเจ้า 3 องค์และทรงตอบโต้พวกบูชาเจว็ดที่กําหนดให้พระองค์ มีลูกมีหลานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดลิลลาฮุสซมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์อัลเลาะห์ทรงเอกะอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุคุฟวันอะฮัดพระองค์ไม่ประสูติ <tune'> และไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมือนเหมือนพระองค์